บทคาถามงคลจักรวาลแปดทิศ อิมัตสัมิงมงคนจักรวาลทั้งแปดเทศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมร้อมรอบรอมทัวนาตาราจเสมานาเกเตสมันตาสัตยโชชนะสัทสหสสานิปุญจะชาระบริงเกเตารักขันตุ ราขันตุอิมาสมิงมงคลจักวาลทั้งแปดเทศประสิทธิ์เจะมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบคอบตัวอนัตาราชเสมานาเกเตสมันตาสะโยชนสสะตสหสสานิธรรมาชาระเปริงเกเตราขันตุสุรา รคันโตอิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดเสทสเซนเทสจงมาเป็นกำแพงแก้วตั้งเจ็ชันมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบตัวอนาตตาราชจเสมานาเกเตสมันตาสตโยชนะสตาสหาสานิปัจเจกพุตรทาชาราเรเกเตราคันโต สุรกันตุยมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปตประสิทิ์ีจมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบคอบตัวอนัตตราเสมานาเกตเตสมันตาสตโยชนะสตตสหัสานิสังคาจารปเรเกเตรัขันตุสุ กันตัว